วันนี้ต้องจะพูดถึงเรื่องของโปรเซสฮะกระบวนการนะครับในเรื่องของการสร้างความสําเร็จที่เพจค q วนะครับ <S <S <อ>เพราะฉะนั้นฮะอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้วันนี้ต้องจะไม่อลอภบทมากนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนแบบคือเข้าใจาจริงๆเลยนะครับ <S <S อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตอนนี้เรากําลังจะเข้าเข้าสู่ยุคเพจค q ว 2.0 แล้วใช่ไหมเพราะว่าหลายคนที่สมัครเข้ามาใหม่อาจจะตกใจว่าเฮ้ยสมสัครมาเสร็จทํมาเช่นยังโพสไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เรากราลังจะ จะเข้าสู่ยุค 2.0 ของเพจ QQ แล้วนะครับแต่ก่อนเป็น 1.0 ใช่ไหมหนึ่งหมายความว่าก็คือเป็นเป็นแบบเหมือนกับว่าเวอร์ชั่นตั้งต้นเลยให้ค น, นเน่ยหมือนกับว่าเราเรากำลังวอร์มอัพเพจระบบการแต่ทําเงินได้จริงๆนะครับจากการใช้งานเพจ QQ นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะอยากให้ผู้นําทุกท่านที่อยู่ให้องนี้นะครับที่ที่กําลังดูคลิปคลิปนี้อยู่นะครับให้รู้เลยว่าอันที่1เนี่ยกระบวนการที่เราต้องรู้หรือว่ากระบวนการการเข้าใช้งานนะครับเมื่อมันมีกระบวนการการเข้าใช้งานนะ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 อ่ะโอเคนะครับกระบวนการแรกเลยนะครับในการที่เราจะได้ได้รายได้จากนี้ฮะในการใช้งานแผงคิวคิวนะครับตอนอื่นเลยเราต้องรู้กระบวนการการสมัครก่อนปกติแล้วกระบวนการสมัครเรายัางไงครับก็คือนะครับสแสดงว่าคนหนึ่งคนนะครับคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาจะสมัครสมา ช, ชิกเข้ามาใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องมีลิงก์นะครับจำเป็นต้องมีลิงก์จําเป็นต้องมีผู้สปอนเซอร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะหน้าที่ของเรานะครับในการที่จะสมัครนะครับก็คือ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 นะครับสำหรับสำหรับการสมัครไม่ว่าคุณเนี่ยเพิ่งสมัครมายังไม่อนุมัติก็ตามแต่นะครับฟังดีนะครับไม่ว่าคุณจะเพิ่งสมัครมาใหม่เลยนะครับสดสดร้อนร้อเลยนะครับคุณก็จะมีลิงก์อยู่ที่หน้า Dashboard ของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะที่หน้า Dash บอร์ดนะครับเราจะมีลิงก์อยู่นะครับทุกคนม yes ีลิงก์หมดนะครับทุกคนจะมียูเซอร์หมดนะครับสิ่งที่พึงระวังก็ค anyway> um ือว่านะครับณตอนนี้นะฮะสิ่งที่พึงระวังเลยนะครับสําหรับการสมัครสมาชิกนะครับ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 ทีนี้ผมต้องบอกอีก่อนว่านะครับกรอกเนี่ยก่อนกรอกเนี่ยถ้านะให้ดีนะฮะให้ดูช่องเลือกเพศเลือกประเทศก่อนนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของสปอนเซอร์ไอนะครับสปอนเซอร์ไอว่าถูกไม้มรหัสถูกไหมชื่อถูกไหมนะครับจากนั้นไปดูที่อัพไลน์ไอนะครับอัพไลน์ไอตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอัพไลน์ไอเนี่ยณตรงเนี้นะครับหมายถึงว่าเราใช้ออตโต นะครับคือคอมจะเพรสออโต้นะครับแสดงว่าสิ่งที่คุณจาเป็นต้องดูเลยฮะมันต้องติ๊กถูกสองอันมันต้องติ๊กถูกแบบนี้สีเทเขียวอ่ะสองอันนะครับตรงสปอนเซอร์ไอกับอัพไลน์ไนะครับจากนั้นคุณก็กรอกสมัครได้เลยนะครับพรากรอกเสร็จปุ๊บ ก, กรอกเสร็จปุ๊บนะฮะคุณก็จะได้ยูสเนมมายูสเนมมา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 สำคัญเลยบางคนเนี่ย เ, เขาเรียกว่าเลือกใช้เบราว์เซอร์ไม่ถูกเนาะผมวิธีการใช้งานจดนะฮะจดนะฮะถ้าใครกลัวลืมจดนะครับเ บ, บราว์เซอร์ที่คุณต้องใช้นะครับคือ c h r o นะฮะผมแนะนำโคร e นะฮะกับ i r e ล o x นะครั บ, บ, Firefox, รบสองตัวนี้เท่านั้นนะครับที่แนะนำนะครับ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 .com นะครับเข้าไปแล้วเราจะเจอหน้าโฮมก่อนหน้าโฮมนะฮะหน้าโฮมให้กดคําว่าดัชบอร์ดครับดัชบอร์ดแล้วคุณจะเจอช่องล็อกอินนะครับให้คุณกดคําว่าดัชบอร์ดนะฮะคุณจะเจอช่องล็อกอินนะฮะให้ใส่ทีที่เข้ามาเมื่อกี้นี้นะฮะที่ได้มาเมื่อกี้นี้นะครับนะฮะแล้วก็ใส่ยุท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 การที่คนเนี่ยจะตัดสินใจเข้ามาสมัครนะครับเพจ q ินะครับเราจะมีอัตราการทดลองใช้อยู่ที่48ชั่วโมงนะครับหลังจาก48ชั่วโมงไปแล้วนะครับถ้าคุณไม่แน่งสลิปนะครับภายใน7วันนะฮะจะตัดทิ้งนะครับนับรวม48ชั่วโมงนี้ด้วยนะครับแสดงว่าถ้ามีการทดสอบการใช้งาน48ชั่วโมงแล้วหลังจากนี้ห้วันคุณไม่มีการแน่งสลิปรหัสตัวนี้จะหายไปนะครับทีของคุณจะถูกระบบตัดทิ้งไปนะครับแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชนดีนะ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 จะเจอคำหนึ่งที่เขียนว่า deposit ฮนะอ่านะครับทีนี้ถ้าคุณกดเข้าไปในคำว่า deposit เนี่ยหนือช่องแนกสลิปเนี่ยคุณจะเจอบัญชีของคนคนหนึ่งที่เป็นเซ็นเตอร์นะฮะจำไว้ดีๆนะฮะการจ่ายเงินจ่ายที่เซ็นเตอร์เท่านั้นนะฮะเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครั บ, น, น, น, รบนั่นหมายความว่าทุก ทุกการโอนที่เข้าไปเนี่ยไม่ว่าเซ็นเตอร์จะเป็นใครก็ตามแต่ฮจะมีบัญชีเซ็นเตอร์อยู่ใน line of sponsor ของคุณนะครับเช่นณตอนนี้นะฮะมีของคุณธวันพรใช่ไหมฮะที่เราเห็นกันนะครับก็คือเป็นเซ็นเตอร์คนแรกนะครับเงินจะถูกโอนไปที่เซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์จะมีหน้าที่ approve รหัสให้เรานะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมต้องบอกกันก่อนว่านะครับการโอนเงินไปเนี่ยนะครับสำคัญเลยฮะ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 มีวันที่และเวลาชัดเจนเน้นย้ำเลยวันที่และเวลาต้องมีทั้งสองอย่างนะครับหมายความว่าถ้าวันนี้คุณจะมีแค่วันที่นะฮะอย่างบางธนาคารเช่นเอฟซี D, นะครับจะไม่มีวันที่อยู่หรือใครที่โอนรู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มของเียนะฮะกลุ่มของพวกแบบสลิปการโอนแบบตามตามทั่วๆไปนะฮะที่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 ใครโอนกสิกรนะครับตรงที่เขียนเป็นบันทึกให้คุณเขียน th ด้วยนะครับ th อะไรนะฮะของ th อะไรไปด้วยนะครับหรือนะครับใครที่ใครที่โอนแบบกระดาษนะฮะโอนตามตู้อ่ะเวลาคุณจะถ่ายรูปให้คุณเอาปากกาเขียน th ไว้ตรงหัวหน่อยนะฮะว่ารหัสอะไรนะฮะคุณจะได้ไม่แนบสลิปซ้ำ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 เงินมันก็จะยังไม่เข้าใน wallet ของเรานะฮะในช่องบูปองของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมสรุปนะครับการโอนต้องโอนเข้าบัญชีเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับมีวันที่และเวลาพร้อมนะครับรหัสจะแอปพลิคไม่เกิน2วันนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับถ้าให้ดีที่สุดคือเขียนยูสเนมนะครับของแต่ละอันนะครับลงไปในสลิปนั้นด้วยนะครับกรณีที่โอนหลายสลิปมันไม่ใช่โอน1สลิปโอนหลายรหัสให้คุณทําแบบนี้ฮะสมมุติที่เป็นสลิปของคุณนะ เปสลิปของคุณนะครัุดโอนไปเลยขุดโอนสรห pues ัสคุณโอนสี่พันนะครับให้คุณเน่ยเขียนเนี่ย th นะฮะเขียน th ลงไปในนี้ฮะให้ครบสี่ลหัสเลยฮะให้ครบสี่ลหัสเลยฮะแล้วแนบทั้งสี่ละหักนี้เลยฮะแนบสลิปตัวเดียวกันเนี่ยแนบทั้งสี่ลหัสเนี้ยฮะแสดงว่าลหัสที่หนึ่งก็ต้องแนบรหัสที่สองก็ต้องแนบรหัสที่สาก็ต้องแนบละหักที่สี่ก็ต้องแนบนะครับไม่ใช่แนบมารหัสเดียวนะฮะ ถ้าแนบมารหัสเดียวแล้วเห็นนี่แอปเซนเตอร์แอปพบรหัสที่เหลือไม่ได้นะครับต้องแนบมาทั้งสามอันนะครับเอ่อแนบมาให้ครบเลยทั้งสี่อันนะครับอันเดียวสลิปอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นฮนะถ้าคุณเข้าใจจุดนี้นะครับคุณจะรู้ว่าเ อ, อ่อมันมันจะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรนะครับมีคนแอดมาอีกแล้วนะฮะบหนึ่งนะฮะต้องกดรับเนาะพยายามจะไม่กดรับอะแต่อดใจไม่ได้จริงอยากให้ทีมงานมีความรู้นะฮะ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 แสดงว่านะครับเงินที่อยู่ในที่อยู่ในเพจคิวคอ่ะจะไม่มีเงินเป็นจํานวนเงินนะครับในในช่อง Wall ล็เราจะมีช่องคิวคูปองใช่ไหมฮะคิวคูปองนะครับอยู่ใต้โปรไฟล์นะฮะเราจะมีช่องนี้นะฮะช่องคิวคูปองนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นจากรายได้ข้อที่หนึ่งนะครับถึงข้อที่ห้านะครับนะฮะทุกอย่างนะฮะเมื่อมันแปลงเป็นเงินแล้วมันจะกลายเป็นคิวคูปองเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องถามนะครับว่า เ อ, อ่อตรงเนี้ยคิดเป็นเงินยังไงตรงนี้คิดเป็นเงินยังไ ง, ง, ง, ไงทุกอย่างรวมให้เป็นคิวในคูปองหมดแล้วนะครับหักภาษีเรียบร้อยมูลหกักภาษีรายได้เรียบร้อยแล้วนะครับหอร์เซนนะครับหลายๆลาท่านเอ้ยมามาไอ้นี่ผมว่าเอ้ยมาถามผมว่านะฮะเอ๊ะทำไมแนะนํา1คนมันได้9จุดกว่าคิวล่ะนะฮะเพราะว่ามันมีภาษีรายได้ 5% นะฮะอันนี้ต้องต้องจ่ายตามกฎหมายนะฮะตามกฎหมายเลยนะครับสําคัญนะฮะ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 แต่อันนี้ผมต้องบอกนี้เลยนะครับว่าเมื่อคุณมีรายได้ถึงจุดจุดหนึ่งนะครับคุณจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะครับซึ่งในอันเนี้ยนะฮะคุณต้องเอาภาษีห้าปอร์เซ็นตรงเนี้ยไปลดหย่อนด้วยนะครับปลายปีปลายปีนะฮะโอเคนะครับทีนี้การถอนเงินเป็นอย่างงี้ฮะเมื่อมีเมื่อมีคิวเกิดขึ้นในระบบใช่ไหมฮะช่องถอนของคุณนะครับคุณจะถอนได้ตรงช่องวิทย์รอนะฮะตรงช่องการเงินนะครับวิทย์รอนะฮะ วิดรอนะครับตรงช่องการเงินนะครับหนึ่งเลยนะครับที่คุณต้องเข้าใอีกแลว่าคุณถอนคิวได้นะครับตั้งแต่ห้าคิวขึ้นไปนะฮะถอนได้ตั้งแต่ห้าคิวขึ้นไปตั้งแต่5้าคิวขึ้นไป5้าคิวคือประมาณ2องยห้าสิบนะครับสิ่งหนึ่งครับที่คุณจะเจอในช่องวิดรอร์คือนะฮะหลังจากหักภาษีแล้วนะครับคิวของคุณเนี่ยนะครับจะจ่ายไปที่รายได้ข้อที่สามนะฮะคือสปอนเซอร์สิซ นะครับเซนเตอร์สองอร์เซนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะทุกคนทุกคนอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหมดนะครับในการถอนคิวนะครับค่าค่าโอนยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้ต้องบอกให้รู้นะครับเพราะว่าหลายหลคนอาจจะตกใจนะฮะอ้าวถอนฉั้นแนะนําคนได้ห้าร้อยนะครับแต่มันต้องเข้ากระบวนการนี้ด้วยนะฮะต้องเข้ากระบวนการนี้ด้วยนะครับ แต่เงินได้แน่ๆเลยครับไม่ต้องห่วงเซนเตอร์เมื่อมีการกดถอนเงินเสร็จปุ๊บนะครับคุณให้ดูตรงนี้นะให้ดูตรงนี้นะฮะ <c oughs> สมมตินี้คือกล่องคิวของเรานะครสมมติมีอยู่ร้อยคิวศูนย์ศูย์ูย์ย์เลยนะฮะเมื่อมีการถอนเมื่อมีการถอนคิวออกจากระบบนะครับเซนเตอร์เนี่ยนะฮะเซนเตอร์เขาจะเห็นคําสั่งถอนแล้วเขาก็จะตัดคิวตรงนี้ออกปึ้งสมมติคุณถอนร้อยคิวเลย เซนเอก็จะตัดเดี๋ยวศูนย์จุดศูนย์นย์นะครับเซนเตอร์รับรู้แล้วนะครับกระบวนการหนึ่งทับสามนะฮะเซ็นเตอร์รับรู้ปุ๊บมันจะเป็นกระบวนการสองทับสามนะครับเมื่อเซนเตอร์โอนโอนเข้าบัญชีของคุณ น, นะครับภายในไม่เกินฟังก์ชันนี้ภายในไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนะครับเขาจะโอนเงินที่คุณถอนเนี่ยให้คุณ น, นะครับสี่ชั่วโมงโอนเสร็จปุ๊บจะขึ้นในสเต็ปสามทับสามนะครับตรงช่องวีดรอ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 ในเรื่องของ View และการเช็ควิวนะครับการเกิด View และการเช็ควิวนะครับ View ในที่นี้นะครับแปลว่าดูเน้นย้านะครับวิวแปลว่าดูนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณจะถามคำถามผมไม่ได้ว่าเอ๊ยพี่กดไลค์กดแชร์ไดมไหม ไม่นับนะครับวิวเท่ากับดูฮนะคือคนที่กดมาดูเพจคิวๆเท่านั้นนฮะนั่นหมายความว่าวันนี้คุณแชร์คอนเทนต์ของคุณอนะไปที่ Facebook คนมากดไลค์ที่ Facebook ของคุณไม่นับนะครับคนกดแชร์ออกไปเนี่ยไม่นับนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องมีการกดเข้ามาดูสมมุติคุณสร้างคอนเทนต์ไว้อันนึงเนี่ยในเฟซบุ o กเนี่ยนะครับอะไรเดียกาแฟ ล, ลดน้ำหนักสมมตินะกาแฟ ล, ลดน้ำหนักนะครับถ้าวันนี้มีคนคลิกเข้าไปดูอะแล้วมันเด้งไป ขึ้นว่าเพจคิวๆเมื่อไหร่แล้วเห็นหน้ากาแฟรถน้ำหนักของคุณที่คุณสร้างคอนเทนต์ไ้นั่นแหละครับรับนับหนึ่งวิวนะฮะนับหนึ่งวิวนะครับหนึ่งพต่อหนึ่งวิวเท่านั้นต่อหนึ่งวันฟังดีนะฮะหนึ่งวิวเนี่ยนะครับคือหนึ่งอพของคุณเนี่ยคือเครื่องใดเครื่องหนึ่งฮะเขานับแค่หนึ่งวิวนะครับในหนึ่งวันนะครับได้เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ผมอ่ะ ผมอะ่ะคลิกเข้าไปดูคอนเทนต์ของเพื่อนคนนี้นะฮะชื่อนายเนะครั บ, น A, นรบวิวของผมเนี่ยก็จะไปอยู่ที่นายเอหนึ่งวิวถ้าผมไปคลิกดูคอนเทนต์ของนายบนะฮะนายบไม่ได้วิวจากผมแล้วหมดแค่นั้นนะครับในหนึ่งวันนี้อะ่ะถ้าวันถัดไปวันถัดมาผมไปคลิกของนายบก่อนนายเนะฮะนายบก็จะได้วิวจากผมหนึ่งวิวคอนเทนต์ใดก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีนะฮะคุณมีสิบคอนเทนต์คุณมีสิบคอนเทนต์นะครับ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 ผมบอกแล้วว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นประมาณ 2-3% แค่นั้นนะที่จะมีคนกดเข้าไปดูแล้วก็นับวิวให้นะครับแสดงว่าการการส่งเข้ามาใไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ที่ลบห้องกว่าปาอันนี้พูดตามรงเลยฮะส่งเข้ามานไลน์คือลกห้องนะเพราะว่าการเปิดดูน้อยมากเปอร์เซ็นต์การเปิดดูคอนเทนต์ของคุณน้อยมากนะครับให้คุณส่งไปที่ไทม์ไลน์ยังจะ ด, ดีกว่า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 ตัดวิวนะครับสมมุติว่าเช่นวิวของวิวของเดือนสิงหาคมคือเดือนที่แล้วนะครับตัดวันที่อะไรฮะตัดวันที่สามสิบเอดสิงหาเดือนสคอนะฮะตัดวันที่สามสิเอดสิงหาแสงดงว่าคอนเทนต์ของคุณทุกคอนเทนต์มันจะเหลือศูนใหม่เริ่มต้นใหม่ไหมฮะเงินเงินค่าคอนเทนต์เนี่ยเงินค่าวิวเนี่ยของคุณในเดือนสิงหามันจะมาออกวันที่หนึ่งถึงห้ากันยากันยานะครับจากนั้นนะฮะ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 เงินตรงนี้เรทวิวที่ออกมาอ่คุณดูอย่างนี้ก่อนนะเรทวิวที่ออกมาเนี่ยเวลามันออกมามันออกมาเป็นคิวให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดคํานวณเป็นบาทนะครับมันออกมาเรทของวิวเนี่ยนะครมันคิดเป็นคิวให้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเขาเอาคิวตัวเนี้ยไปคูณกับวิวของคุณเลยนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นคิวรวมทั้งหมดอันนี้คือคิวรวมของคุณนะครับสําหรับตัวยอดวิวตรงเนี้ยนะฮะไปไหนฮะเงินตรงนี้ไปไหนไปอยู่ในกล่องคูปองเรียบร้อยแล้วครับ ไปอยู่ในกล่องคูปองเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณไม่ต้องไปทำอะไรกับมั น, นะฮะมันไปอยู่ในกล่องคูปองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือถ้าคุณมีเงินคุณถอนเงินอย่างเดียวนะครับเรื่องเงินที่เกิดขึ้นเขาจะเอาไปใส่ในกล่องคูปอง ค, ปองคุณเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะครับสำหรับตัว View Content นะครับการคิดยอด View คิดแบบนี้นะครับส่วนเลดใครยังคิดเลดวิวไม่เป็นนะฮะให้ไปดูคลิปผมนะฮะให้ไปดูคลิปผมคลิป 29นาทีก็ได้คลิปการตอบข้อโต้แย้งก็ได้นะครับจะมีอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะครการคิดยอดวิวนะฮะว่าคิดเป็นเงินยังไงนะครับห้ามไปบอกว่าวิวละบาทวิวละสองบาทมันเป็นเพียงการยกตัวอย่างนะฮะมันไม่ใช่เลดวิวจริงๆนะฮะเลดวิวจริงคิดจากกำไรนะครับหารด้วยอัตราส่วนยอดวิวทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะข้อที่4จบนะฮะการคิดยอดวิวนะครับการเกิดวิวนะฮะ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 โอเคครับผมไปต่อนะครับเรื่องที่ห้านะครับกระบวนการที่ห้าคือกระบวนการดูสมาชิกนะฮะการดูสมาชิกนะครับเห็นไหะว่าจะมีในช่องของมาร์เก็ตติ้งเราอยู่นะครับที่มันจะมีสามอันนะฮะมีอะไรนะฮะสายงานใช่ไหมฮะสายงานแล้วก็มีแนะนําตรงใช่ไหมฮะแนะนำตรงแนะนําตรงนะครับแล้วก็ตัวบายลี่นะฮะ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 จะเห็นหมดเลยว่าเขาแอปพรูฟหรือยังหรือยังไม่แอปพรูฟจะเห็นหมดเลยเขาชื่ออะไรรหัสอะไรไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับบางคนถามว่านะครับอา่าวพี่ผมแนะนําตรงเขาอ่ะแต่ทำไมอัพไลน์ของเขาอ่ะไม่ใช่ผมน่ะนะฮะคืออย่างนี้นะครับตัวคือตัวคุณนะ่ะนะฮะคือมันติดตัวคุณได้แค่2คนคําว่าอัพไลน์ตรงเนี้ยเป็นเพียงตําแหน่งที่เขาอยู่เช่นสมมติตัวคุณนะ่ะคือคนเนี้แล้วคุณก็มีนายเกับนายบอยู่ตรงเนี้ยแล้วนะ ร, รหัสอะไรก็ไม่รู้ที TH อะไรก็ไม่รู้นะฮะทีอะไรก็ไม่รู้ สมมติคุณสมัครนายซเข้ามาอีกคนนึ่งนายซมันจะมาโผล่อย่างงี้ไม่ได้นายซมาโผล่ตรงนี้ไม่ได้มาโผล่ไม่ได้นะฮะแสดงว่าตำแหน่งของนายซีอ่ะไม่ลงมา a ก็ลงมา b ีนี่แหละไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่สมมุติถ้าสมมติลงมา A อนะฮะนารหัสทีออะไรนะฮะคำว่าอัพไลน์นะฮะตำแหน่งคือทีนั้นแหละครับคือนายซีเนี่ยเขาจะลงมาอยู่ใต้ในายเเนี่ยใน A รหัสอะไรคําว่าอัพไลน์ที่เกิดขึ้นในสมาชิกแน่นอตรงของคุณเนี่ยคือเขาอยู่ใต้ตำแหน่งของคนนี้นะฮะ ไม่ได้หมายความว่าเงินของคุณเน่ยห้าร้อยจะจ่ายมาเข้าคนนี้ไม่ใช่ฮะเขาเป็นผู้สปอนเซอร์ของคุณเช่นเดิมนะครับแต่ตำแหน่งที่เขาอยู่อยู่ใต้อัพไลน์คนนี้โอเคไหมฮะคนนี้ได้หนึ่งเปอร์ซ็นะ ค, คนนี้ได้หนึ่งเอร์นด้วยนะครับแต่ไม่ได้สิบเอร์นะฮะสิบเอร์ซ็นคุณได้เช่นเดิมโอเคไหมฮะจากรายได้ของเขานะฮะโอเคฮนะคสำหรับการดูสมาชิกนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพอพอเซิร์ฟเวอร์นะครับมันรองรับเสร็จสมบูรณ์เนี่ยคุณจะสามารถ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 มันจะขึ้นเร็วเลยนะฮะมันมันแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นชื่อมาแต่ว่าในผังมันจะยังไม่ขึ้นมานะฮะในผังแบตเตอรฮะมันจะยังไม่มี T S ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องถามผมนะฮะว่าเอาพี่ผมสมัครคนนี้แล้วอ่ะเขาสมัครจากสปอนเซอร์คุณเขาต้องเข้าไปอยู่ในผังคุณแน่นอนน่ะนะขอขอเวลาอัปเดตหน่อยนะฮะให้ให้ผังมันอัปเดตนิดนึงนะครับวันต่อวันนะฮะมันถึงจะขึ้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปดูในผังแบตเตอรี่ะให้คุณมาดูในนนนนแแะะําตรรงทคับ พอได้น้ำตรงมันจะขึ้นเลยนะครับมันจะขึ้นมาเลยนะว่าทีเอสคนนี้ชื่อเท่านี้ใครยังไงอะไรยังไงเบอร์โทรแบบไหนนะฮะอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะโอเคนะฮะทีนี้อันที่6อันที่หนะครับในเรื่องของซิสเต็มอัปเดตทีนี้ให้คุณเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่านะครับพอพอมันเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีการอัปเดตตรงเนี้ย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 แต่ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนนะฮะเหมือนใครที่เพิ่งสมัครเข้ามาในช่วงวันสองวันเนี้จะยังโพสไม่ได้เพราะว่าซิสเต็มกาลังจะอัปเดตคุณไม่ต้องตกใจนะฮะเว็บไม่ได้ปิดนะฮะซิสเต็มกำลังจะจะอัปเดตนั่นหมายความว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะฮะมันจะใหญ่ขึ้นเลยขยายขึ้นนะครับโอเคไหมฮะสอบตัวซิสเต็มอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะกระบวนการเนี้ทั้งหมด6กกระบวนการเนี่ยคุณจะต้องเจอนะฮะคุณจะต้องสมัครเป็นคุณจะต้องจ่ายเงินได้คุณจะต้องถอนเงินเป็นเข้าใจนะครับว่า มันใช้ระยะเวลากี่วันคุณต้องสื่อสารกับทีมงานของคุณด้วยนะครับปัดสื่อสารด้วยนะเช่นคนเนี้ยเขากำลังจะสมัครเขาต้องเขาต้องเอาข้อมูลอะไรบ้างเขาต้องดูอะไรบ้างอนะหลังจากเขากดใจอัพแล้วเขาต้องแคปหน้าจอนะครับนะฮ ค, คุณต้องบอกเขาคุณต้องเป็นคนสื่อสารกับเขานะครั บ, นะรบแต่เวอร์ชัน 2.0 คาดว่าคาดว่าจะมีระบบในการที่แบบให้ติ๊กอะ่ะที่ผมบอกไปวันนั้นให้ติ๊กว่า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 จ่ายจากหนึ่งพันนะฮะไม่เกี่ยวกับรายได้ของคุณนะครับแวตเจ็ดเอร์เซนจ่ายจากหนึ่งพันนะฮะไม่เกี่ยวกับรายได้ที่คุณทํานะฮะจ่ายไปแล้วนะฮะจ่ายเท่านี้นะฮะเจ็ดเปอร์เซนนะครับส่วนรายได้ของคุณจะมีภาษีห้าเปอร์เซนนะฮะอันนี้เรื่องรายได้นะฮะคนละอันกันนะฮะนะฮะภาษีมูลค่าเพิ่มเ็ดเอร์เซนกับภาษีรายได้หาเซนคนละอันกนะอันนี้เขาจ่ายไปแล้วนะฮะไม่เกี่ยวครั้งเดียวจบนะครับครั้งเดียวจบนะครับแต่มูลค่าอ่า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 คือบางครั้งถ้ามันเกิดขึ้นการฟ้องร้องจริงมันไม่ขำนะครเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องพลบคอมพิวเตอร์นะโพสต์ภาพโป๊เปือยอนาจารนะครับหรือว่ากอลของคนอื่นมานะครับที่ที่เป็นพลบบคอมนะฮะอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองรับผิดชอบนะครับเออคือโซเชียลตัวนี้มันใครสมัครก็ได้นะฮะใครสมัครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอายุต่ำกว่า18ปีเมื่อเกิดการฟ้องร้องคดีความต่างๆปีต่างๆผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบนะครับนะฮะสิปีนะฮะผู้ปกครองรับผิดชอบไหฮะ รับผิดชอบอเคนะนะฮะสิบแปดบวกนะอ่าสิบไม่ใช่สิบปดบวกสิบปดลงไปนะฮะผู้ปกครองรับผิดชอบนะครับเคนะฮะทีนี้ในเรื่องของยู u ูบอ่าขอให้มองอย่างนี้ก่อนยู u ูบนะฮะ u ูทูบยูทูบเนี่ยเวลาเราเอามาเวลาเราเอามาเราเอามา URL จริงไหมฮะแสดงว่าการดึง URL มานะครับมันมาทั้งยวงเหมือนเวลาที่คุณแชร์ แชร์คลิปจาก youtube ไปที่ Facebook เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมฮะไม่ละเมิดนะเหมือนกันหมดฮนะแสดงว่าเหมือนกับว่าคุณเอา URL ของ y o ยูทูะมาแปะในเพจ QQ เวลาเขากดเข้ามาดูฮะเขากดเข้ามาดูคลิปนี้เขากดเข้ามาดูปึ้งมีคนกดเข้ามาดูมีคนกดเข้ามาดูดาาดทัฟฟิกวิ่งไปไหนะฮะทัฟฟิกวิ่งมาที่ youtube ครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะเราได้ด้วย youtube ได้ด้วยเขาไม่โกรธเราหรอกครับ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 ในเรื่องของกระบวนการนะครับคราวนี้สำคัญเลยนะฮะไฮน้สได้โน้สเลยนะฮะกระบวนการการเข้าใจแสดงว่ามันเป็นแบบนี้ฮะมันก็จะมีเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นระบบเนาะนะเป็นระบบนะฮะผมเขียนใหม่นี่ค่ะคือคุณต้องรู้ก่อนว่าการทำเพจคิววเนี่ย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 รู้ต้องรู้อะไรบ้างรู้หึเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรที่มาที่ไปประวัต um, ิเน so, ื้อหาต่างๆนะฮะคือรู้ว่าเพจค q วคืออะไรนะฮะเพจคิคืออะไรนะฮะเพจคิคืออะไรรายได้มาจากไหนนะฮะรายได้มาอย่างไงนะครับแล้วก็การใช้งานใช้แบบไหนนะฮะการใช้งาน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 เขาจําเป็นต้องทําเป็นด้วยส่งลิงก์สมัครสมาชิกยังไงนะครับแสดงว่าเวลาอดนโทษฮนะรู้รู้เข้าใจนะเวลาที่เราเวลาที่เราสอนสมาชิกของเราเนี่ยเราก็จำเป็นก็ต้องรู้เหมือนกันใช่ไหมว่าคนคนเนี้ยเขาต้องรู้อะไรเราควรจะเอาคลิปไหนให้เราควรจะเอาเนื้ อ, เ น, อเนื้อหาไหนให้เราควรจะตอบคําถามยังไงนะครับทําเป็นแล้วก็ให้เขาส่งต่ออะแต่ก่อนอื่นมาดูนี้นิดหนึ่ง ีข้ามไปฟอยดหนึ่งนะครับผมเขียนนี้ก่อนนะรู้มาที่เข้าใจาที่ทำเป็นต่อไปที่ส่งต่อโอเคนะฮะแสดงว่าเขาต้องรู้เนี่ยเนื้อหาจริงไหมเนื้อหาของเพจคิวๆนะฮะเพจคิวๆคืออะไรใช่ไหม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 คือคือคุณเห็นไอ้คลิป5้านาทีไหมที่ผมบอกว่าเพจ q ิ q คืออะไรจริงๆอ่ะพอยแล้วเนะ่ยผมไม่ได้ต้องการให้คนน่ยส่งคลิปเนี้ยไปให้เพื่อนนะแต่ผมต้องการคุยให้คุณเห็นว่าผมผมพูดกับเพื่อนผมประมาณเนี้ยเพื่อให้คุณฝึกอ่ะคื อ, ค, อคือไอ้คลิปห้านาทีเนี่ยที่ผมบอกว่าเพจ q ิ q คืออะไรอ่ะที่ยกตัวอย่างเข้าบรนไก่อะไรพวกเนี้ยคือผมอ่ะอยากให้พวกคุณอ่ะเข้าใจแล้วพวกคุณก็ไปสื่อสารแบบเหมือนในคลิปของผมอ่ะคือพูดเองอ่ะพูดกับเพื่อนคุณเองอ่ะ แต่ก็ไม่ได้ผิดนะที่จะส่งคิดผมไม่ให้นะฮะก็ยินดีนะครับแต่คือดีที่สุดคือคุณพูดเองใช่มฮะอ่ะพอคุณพอคุณฝึกฝนจนคุณเข้าใจแล้วคุณทำเป็นแล้วนะฮะทำอะไรบ้าง่ก็คือพูดเป็นน่พูดเป็นนะครับคิดรายได้ได้คิดรายได้นะฮะใช้งานนะครับใช้งานนี่หมายถึงสมัครโอนเงินแนบสลิปนะฮะสมัคร โอนเงินแนบสลิปถอนเงินโพสวิวอ่าโพสนะฮ ะ, ะ, ะเช็ควิวคือทําเป็นแล้วอ่ะตรงเนี้ยคือทําเป็นแล้วคุณก็จะไปส่งต่อพวกเนี้ย ใ, ให้ให้กับคนอื่นๆของคุณได้ให้กับโพสเปกต์ใหม่ของคุณได้นะฮะให้กับเพื่อนแล้วกันอ่าเพื่อนของคุณได้นะครับเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะทาพวกแบบคลิปไว้ให้หมดแล้วคือคุณสามารถ ไปดูคลิปของผมได้เลยแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีการมาคุยมาเทรนนิ่งกันแบบนี้ตลอดเพื่อให้คุณเข้าใจกระบวนการของมันว่าเออว่ะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้นะนะเรามีคนใหม่เข้ามาเขาก็ไม่รู้อิหนอยเนี่ยใช่ไหมเขาควรจะรู้อะไรบ้างเราก็ต้องส่งเนื้อหานั้นให้เขาดึงเขาเข้ามาในกลุ่มบอกเขาว่าในกลุ่มเนี้ยมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างคุณจําเป็นต้องบอกเขานะฮะไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะมาถามในผมนี่แหละนะฮะแล้วคําถามก็คือว่าวันนี้ใครดูแลทีมงานคุณได้เท่ากับคุณบางครั้งผมก็ ทีมงานคุณคุณบอกให้เขาไม่คุยผมผมไม่ได้คุยกับเขานะผมบอกก่อนนะเพราะผมไม่มีเวลาว่างคุยมันเยอะนะฮะมันเยอะนะฮะไลน์ผมเด้งตลอดนะครับแสดงว่าคุณจําเป็นต้องรู้ว่าในกลุ่มไลน์อ่ะมันมีเนื้อหาอะไรบ้างผมทําไว้ให้หมดแล้วเนาะเช่นลบก่อนนะบางคนอนะ่ะยังไม่รู้เลยนะว่าวัาวนเนี้เพจคิอ่ะ ไม่ใช่บริษัทเพจ QQ อ่ะเพจ QQ เป็นซอฟต์แวร์เฉยของบริษัทอะไรฮะ s e r f o b i t นะครับต้องรู้นะครับอยู่ตรงไหนฮะอยู่ในบันทึกครับในบันทึกมีหมดนะฮะเพจ QQ มีร่างเง่ามาจากบริษัท s e r f o b i t นะฮะเป็นซอฟต์แวร์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครวันนี้มาถามว่าบริษัท s e r อบริษัทเพจ QQ อยู่ไหนนะฮะเป็นเวอร์ไวเว็บนะ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 เนี่ยต้องรู้ครัอยู่ในไหนอยู่ในบันทึกครับมีหมดเลยฮนะหรือว่าบางคนฮนะไปถามว่าเอ้ยแล้วมันแบบสอบข้อบ อ, อะไรยังไงพวกนี้ฮนะคุณก็ต้องตอบได้ด้วยคุณต้องรู้นะฮรว่าคุณควรจะส่งตัวไหนให้เขาดูคุณควรจะส่งคลิปไหนให้เขาดูเช่นถ้าเขาถามเรื่องข้อโต้แย áng, ้งหนักคุณต้องส่งคลิปข้อโต้แย้งนะฮะอยู่ในไหนฮะอยู่ในบันทึกครับเอาไปให้เขาดูเลยฮนะ คลิปข้อตัวอย่างนี้จะมีบอกอะไรบ้างฮนะผมงจําได้เลยมีในเรื่องของกฎหมายนะฮ ะ, ะมีในเรื่องของที่มาที่ไปะฮะที่ไปะฮะที่มาที่ไปของของเซิร์ฟโคบิดนะฮะของเซิร์ฟโคบิดของเพย์คนะฮะในเรื่องของกฎหมายนะฮะสคบนะฮะการเงินนะฮะการเงินระว่งประเทศกองกันทังนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ อ, อ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 ว่าว่าเขาจะจ่ายข้อมูลอะไรคุณคุณอยากรู้อะไรคุณโปรแอคทีฟในการที่จะเข้าไปดูเองได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ารอคอยฮะอย่ารอคอยฮะคุณต้องมีคําว่าโปรแอคทีฟในการที่จะรู้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยากแบบลงทุนต่ำๆแบบแต่แบบสําเร็จแบบแบบมืออาชีพแบบคุณจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นให้คุณเข้าไปศึกษาในบันทึกนะฮะลองใช้งานให้เป็นนะครับมันไม่ยากเลยนะครับฝึกพูดฮนะ ฝึกพูดฝึกแชร์ฝึกแบ่งปันนะครับโอเคนะฮะที่สําคัญก็คือฮะในเรื่องของเนื้อหานะครับที่จะเป็นเนื้อหานะครับคุณต้องรู้เนื้อหานะครับเนื้อหาอะไรบ้างนะฮะคุณต้องรู้ว่าคลิปมีคลิปไหนบ้างนะครับคลิปสมัครคลิปแหนบสลีฟคลิปโอนเงินคลิปถอนเงินนะฮะนั่นแหละครับที่คุณต้องรู้นะครับ คลิปข้อตัวแย้งนะฮะไลฟ์เมื่อเดือนที่แล้วเอ่อเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วคือเรื่องอะไรนะเอ่อความเดี๋ยวนะถ้าผมจะไม่ผิดก็เป็นเรื่องอา่ามันมีทั้งเรื่องความมั่นใจของรายได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอันที่แล้ววันที่เก้ารือเปล่าไม่แน่ใจเปิดดูนะฮะเปิดดูอยู่ใน facebook ผมนะี่แหละฮะอยู่ใน facebook ผมแล้วก็วันนี้นะฮะเรื่องกระบวนการนะฮะอา่าเรื่องคลิปนะครับอา่าพวกแบบกันเดี๋ยวนะ ที่สําคัญคืออย่างนี้ก่อนผมเห็นหลายๆคนเน่ยนะฮะเริ่มเริ่มโพสต์เรื่องรายได้ลงใน facebook แล้วนะครับพยายามไม่โอเวอร์เซลล์จนเกินไปฮะอย่าโอเวอร์เซลล์นะฮะเราจะไม่โอเวอร์เซลล์นะครับหรือว่าบางคนที่จัดประชุมกันนะฮะในระดับของ How meeting นะฮะไม่ต้องโอเวอร์เซลล์นะฮะให้คุณคุยข้อเท็จจริงกับเขาเลยนะครับพยายามคุยข้อเท็จจริงนะครับกับทุกคนนะครับที่ที่สนใจตัวนี้นะฮะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่า เขาเขาเขาก็จะทํางานง่ายเขาจะรู้สึกสบายๆกับคุณเพราะว่าคุณคุยข้อแท้จริงกับเขานะฮะคือคนเนี่ยมันรู้อ่ะว่าใครแบบขี้โม้นึกออกไหมคือถ้าพูดมาแล้วรู้สึกฟังแล้วแบบขี้โม้มันก็ไม่อยากฟังจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องโอเวอร์เซลล์นะคุยสบายๆไปเลยที่เป็นข้อแท้จริงโอเคนะฮะเพราะว่าถ้าวันนี้ผมขี้โม้ให้คุณฟังคุณก็ไม่อยากฟังผมหรอกใช่ไหมเพราะคุณก็รู้ว่าเนี้ขี้โม้พูดเหมือนโมดิเวตไหมไม่ไม่เป็นต้องโมดิเวตนะ วันนี้เราคุยกันได้ข้อเท็จริงนะครับโอเคนะฮะ เ, เดี๋ยวนะไฟไฟมันหนักใช่ไหเห็นเห็นปะอยู่ไปดูหน่อยนิดนึงค่ะน้าอยู่น้าอยู่เนาะโอเคนะฮะทีนี้นะสําคัญมากสําคัญมากเลยนะครับในเรื่องของคำคำนี้แหละคําว่าส่งต่ออันสุดท้ายใช่ไหมเมื่อกี้เรารู้เราเข้าใจเราทําเป็นใช่ไหมแล้วเราก็ต้องส่งต่อให้เป็นนะ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 เราสังเกตได้ง่ายนะทําไมวันนี้บางคนเนี่ยจับไม้แล้วมือสัน่นสั่นอย่างเงี้ยเลยนะบางคนจับแล้วมือสับนจับแล้วปากสัน่นปากสั่นอย่างเงี้ยพราะตื่นเต้นเคยเห็นคนแบบปากสัน่นสมือสัน่นสั่นไหพราะตื่นเต้นนะฮะคือเมื่อคุณเมื่อคุณมีการแชร์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเท่านี้คุณจะมีความมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะคุณมั่นใจมากขึ้นนะ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 มาจากอินเทอร์เน็ตบางคนหาความคำพูดสวยหรูมาจากของคนอื่นก็ตามแต่แต่วันนี้ถ้าวันถ้าถ้าคุณมีความเป็นเป็นเนี่ยคือ Being ของคุณเองอคุณจะมีคําเหล่านี้หรือความคิดเหล่าเนี้ยผุดขึ้นมาเองจากความ mm hmm. สําเร็จของคุณอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะ <Yeah. S 1> คุณจะมี Being ออกมาคุณจะมีจะมีคําพูดที่เป็นความคิดของคุณที่เป็นที่เป็นโน้ตเฮาเป็ น, เ ป, นเป็นการตกผลึกของคุณแล้วจริงๆจากการแชร์นี่แหละครับ <Yeah. S 1> แชร์บ่อยๆฮะ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 เช็คยอดวิวยังไงนะฮะหรือว่าหนึ่งวิวเท่ากับกี่บาทครับพี่อะไรแบบนี้นะฮะคือมันเป็นคำถามตนดาที่ที่จริงๆคนที่สปอนเซอร์คุณมาเขาต้องตอบได้เพราะฉะนั้นนะผู้ที่เป็นผู้นำคุณต้องรีบทำความเข้าใจทั้งหมดะฮะว่าเฮ้ยจุดเนี้ยมันคิดยังไงเฮ้ยจุดเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับไอสาม 20ชั้นของเรานะคมัน20ล้านมันมายัางไงนะครับแล้วแพสซีฟเดือนละ6ล้านเป็นยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งเซอร์วิสซิสเต็มนะฮะคิวบริหารแบบไหนนะครับคุณต้องทำให้ทีมงานของคุณรู้นะครับว่าคุณเป็นผู้นำเขาคุณเป็นคนที่ชวนเขาไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็เชื่อใจคุณนะครับวันนี้เนี่ยการส่งคนมาคุยกับผมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับสิ่งหนึ่งฮนะที่ที่วันนี้เขาจะเชื่อเขาจะเชื่อมั่นในตัวคุณมากกว่าเชื่อมั่นในตัวผม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 สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้เลยครับว่าคุณกําลังจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่ออะไรนะครความสําเร็จจริงไหมความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะความสําเร็จไม่มีไม่มีเป็นสําเร็จรูปคุณต้องสร้างเองสร้างยังไงฮนะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้กับว่าว่าหลักสูตรของความสําเร็จเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณนะฮะต้องทําบางสิ่งบางอย่างนะทาอะไรก่อนนะฮะเท่ากับผลลัพธ์อะไร โอเคนะฉะนั้นนะฮะให้คุณตั้งผลลัพธ์เลยครับว่าคุณอยากจะได้อะไรบ้างะฮะเช่นคุณอยากได้เงินวันละหนึ่งพันบาทคุณอยากได้ไรายได้วันละหนึ่งพันบาทนะฮะแสดงว่าคุณต้องทําอะไรละ่ะถึงจะได้วันละหนึ่งพันบาทสปอนเซอร์วันละสองคนได้หนึ่งพันบาทไหมนะะจริงไหมถ้าวันนี้คุณอยากได้วันละสองพันบาทคุณก็ต้องสี่คนจริงไหมถ้าวันนี้คุณอยากได้ เงินหนึ่งล้านอ่เอาหนึ่งแสนก็ได้หนึ่งแสนคุณไม่ต้องไปสปอนเซอร์คนเอ่อเท่าไหร่นะสองหมืนคนนะฮะคุณไม่ต้องไปเอ่อสองสองพันคนผมผู้ผิดคุณไม่ต้องไปสปอนเซอร์คนสองพันคนนะฮะคุณสร้างทีมงานของคุณน ะ, ะให้เขาเล่นเกมสองสองสอง่ไปแว บ, บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคุณได้แสนเลยเชื่อผมสิเล่นสองสองอ่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวคุณเล่นแสนเลยจากอะไรน ะ, ะจากหนึ่งเอร์เ็นตนะฮะยี่สิบชั้น จากสิบเอร์เซ็นตะในการถอนคิวนี่ฮะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวมาฮนะหนึ่งแสนเล่นเลยฮนะสองสองสองนะฮะยิ่งคุณมีผู้แนะนำตรงเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งได้สิบปอร์เซนมากขึ้นเท่านั้นนะะยิ่งคุณมีทีมงานที่เขาทํางานเป็นเหมือนคุณเท่าไหร่คุณยิ่งมีหนึ่งเอร์เซ็นยสิบชั้นมากขึ้นเท่านั้นน ะ, ะยกตัวอย่างน ะ, ะถ้าวันนี้คุณเนี่ยอยากได้เงินสักยี่สิบล้านนะะี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าวันนี้สองสองสองอะ ค, คือคุณทำสองสองอ่ะวันหนึ่งอ่ะมันได้ยี่ิบล้านจริง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 หรือว่าถ้าคุณโฟกัส20ล้านเหมือนผมนะครคุณจะรู้เลยว่าผมทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับทไมผมถึงต้องต้องให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าวันนี้ผมโฟกัสที่ตรงนี้นะครับโฟกัสที่แพ s s i v เดือนละ6ล้านบาทต่อเดือนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าวันเนี้ยผมโฟกัสนะครผมโฟกัสแค่ 10,000 บาทต่อเดือนผมบอกเลยนะว่าทีมงานที่อยู่ข้างหลังผมเขาไม่มีที่ยืนนะเพราะว่า 10,000 บาทต่อเดือนแสดงว่าผมทํางานน้อยมากนะครับวันนี้ผมโฟกัสใหญ่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 ถ้าคุณตั้งเปาหมายแล้วคุณทําคุณก็จำเป็นต้องรู้ใช่ไหมฮะว่าระบบมันะนะฮะมีอะไรบ้าง น, นะครับคือตรงเนี้ยคุณต้องสปอนเซอร์ยังไงนะฮะคุณต้องส่งคลิปไหนนะครคุณต้องชวนกี่คนคุณต้องเข้าใจเรื่อง view content คุณต้องรู้เรื่องการถอนเงินการแนบสลิปทุกอย่าง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 แล้วแล้วเจอผมอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยผมม่ให้ข้อมูลอะไรแสดงว่าถ้าคุณถ้าคุณพาเขาไปเขาก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกันกับคุณเขาก็จะเข้าใจกันเหมือนกันกับคุณเขาก็จะทํางานแบบเข้าใจเหมือนกับที่คุณเข้าใจนะครเพราะฉะนั้นพาเขามานะครับพามาเจอกันนะครับแล้วก็วันที่18นะฮะวันที่18เนี่ยจะจัดอยู่ที่โคราชนะฮะเปลี่ยนสถานที่นิดนึงนะฮะโคราชจะอยู่ที่ราชภัฒโคราชหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะราชภัฒน์นะฮะที่มหาลัยราชภัฏน์นะครับตอนบ่ายโมงนะฮะถึงบ่ายสมงเย็นนะฮะ ข้อมูลอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับวันที่สําหรับเมืองการนะครับเมืองการวันวันพฤหัสนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับที่ร้านกาแฟคุณฝนนะครับวันพฤหัสนี้นะฮะพฤหัสที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะดูแผนรับหนึ่งนะครับพฤหัสที่สิบ้านะฮะเจอกันที่ร้านกาแฟคุณฝนนะครับสําหรับทีเมืองการนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่นะฮะวันที่ยี่สิบสี่กันยายนนะฮะ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 ไปสักประมาณครึ่งหนึ่งเขาก็ยังดีนะครับสิคนนะฮะอย่ายอมแพ้นะฮะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะฮะหลังจากจบคลิปนี้นะครับผู้นำนะฮะถ้าไม่แชร์ผมจะตีเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะฮะสวัสดีครับ